اللهم ر ح م ن ا ا ر ح م ن ح م ا ل ل ه رب العالمين أصلي آل الله على أ م ي ن ا م س ل م ي ن و ل ي على آل النبيين و ه ل ا ل ب ي ن أصحبنا ل ما يبين وأنت بعنه يحسن لي أ م د ي سلم المسلمين ك ث ي ا وهم الذين جعلوا سالما أن تجعل الحزن إلى شفته الله ا ل م س ت ع م ن ก็เป็นการงรอสทรีมบดล่มอจุนแตาะมี่้ีเองที่บ้านที่มีคนทลีที่เกีวกัการอนุมัินนป็นส่วนหน่งที่จะต้องแจ้ สุ่มความขยันเรื่องเมื่อถึงเวลาเกี่ยวกับการเกิดั้นะสุวต a กตาหรื g ไม่อาจจะมาส่ง i สียงก a บเรื่องที่จะให้การทบ่าอง ต้องมีมิติสำคัญของรูปสัรรมคือจัดสัสนปะในคำสรรเสริในเหตุคลในัรษณะในปรัชาของอิปอ า, าเพราะกุลารไม่สอนคำสรรเสริญกุลาร์ต่งไม่สอนเรื่องทีเรื่ปฏิบัติ ให้เราได้รับรู้ละต่องปริบัติง่ยคุณอ่านโดยสอนทุกส่วนของสิ่งเรื่องปฏิบัติให้เป็นการกระทด้วยซึ่นอัลลสฮ์ سبحانه แลได้กล่าวไว้นสุรษะอันไม่ได้แย่งที่วนาเกี่วัการล้างควาว ف غ س ل و ا م و د ا ك م وعيديكم إلى ا ل م ا ص ف ي ن صحو برهو سكن مع أذوكم إلى دعمن كل نافع ب ج ا ء ل م ُ ؤ ر ب ج ا ء ل ه خَصَّ خ ص م ن خَصَّ ا ن ص ح و ا ب ر َ س ي ك ل َ ج م ل س ي َ س َّ ب ج ا ء َلَعْتَ عَوْمُ َและเรَท้าวสังเกตในปัُ س َยว่ามัศพูหรือรَูเช่นมัศพูรู้แต่ละในมันเป็َไَฮะในในอายะนีُ้ีอมَักพูอْู่สิบคนว่าอรุณลُพูอَซักُูรُูสิบคนสิบแต่อรุณละพูนั่นคือ ก็ค <fl ush ed> ือเขาอนี้อัยาะจะบาว่าและลานนี่คือประเด็นใหญ่เาะนคำนี้เอ่านอัลลใช้คว่ามุสฮบิรุบูสิกุมมฮูนี่เป็นการย่กเรียากเรียสัอุซะ่งอุมซงุลูการยานต้องมัดูมีการมีปะทะมิการตังของการยานี่โดส ให้รู้รู้บ้างสิจ๊ะสิจกนปกติลาทำวัยรามียานมัะีอิตอกนโดยไม่ต้องมีตัวประกอบไม่มีอักษรประกอบแต่อันนี้มีัะบกลกกบัยูรูจิะมอูตก ในความยากคืรูปสีกือวีนีตัวอักษรยมามามามาอยู่กับกับการนี่ที่ลราไม่ได้มีข่าวิีครขาว่าการที่ใช้อักษรประกอบโดยเปลี่ยนโครงสร้างของประโย์ จากการใช้กริยากับกรรมโดยตรงของซาอุรสกุปเปลี่ยนให้มีส่วนของอักษรประกอบนี้มาเกี่ยวข้องนั้นแสดงว่าอักษรนี้มันต้องมีมันต้องมีตัวบ่ายที่ิมันต้องมีอุลมาบังท่านบอกว่าตัวบานี้หมายถึงว่าให้ลูกบางส่วน ให้ร <played foreign language> ูปบางส่วนของศีรษะเพราะแต่ a l a h อยากจะให้รูปทุกส่วนของศีรษะก็จะเป็นประโยชน์ปกติคือวาสัหรุกุลจงลูศีรษะให้มันตรงตรงแต่นี่มันมีตัวบาตอแสดงว่า ไม่ได้ให้ลูกทั้งศีษะและนี่คือทฤษฎีของละที่เขาบอกว่าการลูบศีรษะนี้ไม่ว่าจะทุกรูปหมดโดยอันขยายในตรรกีความโดยลักวยขาจรย์เบอร์เดสนะของอุลาดีเลยมากอภิมหาแล้วเวลามะไนท่านว่าลูบศีรษนั้นไม่้องรูปทุูบบงสู บางส่วแต่เรก็ตีความตัวบาปใกรตกเป็นเป็นตัวอักษรอักษรอักษรมีความหมายว่าส่วนหนึ่งของีสัพส่วนหนึ่งของศีลอีมอั่นึงุณหนึ่งบวามช เพว่าไม่ช่ ว, วันสัปเหร่อหรสิ่กุญแไม่ใช่ลูกบางส่วนแต่มันหมายรวมว่ามีส่วนอื่ที่เกี่ยวข้องกับการลูกในโครงสร้างของภาษาละอาจจะเอาส่วนหนึน่งของคำ มาประกอบกับอีกบางส่วนเพื่อให้ส่วนนั้นน่ชี้ถึงส่วนที่ถูกตัดออกไปเขมบก็่โครงสร้างของประโยคนี้คือวัมสะพูรุสกุลดีไอดีคุลให้ลูกศด้วยมือบิ้ไอดีคุลด้วยเ่บี้ไปว่าด้วยมือแต่ ความสวยงามของภาษาไม่ต้องการให้ใช huh ้คําศัพท์ยุ่งไม่ต้งรุกประโยคประโยคไม่ต้งรุกอะไรที่เข้าใจได้อะนะอะไรที่สามารถทราบหรือความหมายเขาตัดออกไปไม่ต้อภาษาดับประโยคในภาษาดับนี่ต้องสั้นที่สุดราความสวยงามในภาษาดับนี่ให้ประโยคสั้น ความสวยงามของประโยคนะให้สั้นที่สุดมีความหมายที่รักกุมและครอบคุมแต่ถ้ามีเยอะเขาบอกว่าเป็นเป็นความสามารถของคนที่พูดไม่เป็นอคนนี้ต้องต้อสั่งใส่คำพูดเยอเยอะพูดเยอะพเยอะพูดพูดไม่มีความสามารถกัน ความสามารถดานศิลสูงเนี่ยก็จะแต่งประโยชน์ให้มันสวยที่สุดส่อนที่สุดมีความหมายที่ลักคนมที่สุดก็เป็นที่รู้กันนะครับพอรูปวันลีู้กรูปจะใช้อะไรรูปศิลป์จะเอาอะไรใช้กันเอาผ้ามาเชิดหรผ้ามาลูกอะหรืเอาเท้ามาชิดมันไม่มีใครจะคิดมันเป็นที่เข้าใจ พอลูกศิษะ ด, ด้วยมือก็อเลยเอาคำว่ามือนี่ตัดไปเพราะเป็นที่เข้าใจกันแล้วและเอาส่วนนงึขงของของคำมาไม่ไร้เลด้วยด้วยเอามาประกอบกับคำว่าศีสะัวมสะคูบิอูศิกุลจะได้นมันต้อ ง, วงอวมซะคู อ, อูศิุลบีไอีบีไอกีคก็แสดงว่ามันไม่เกี่ยวกับศีสะตัวบาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับศ มันเกี่ยวกับมือแล้วถ้าเกี่ยวกับมือแล้วแสดงว่ามือนี่มือนี่พอเาบอกว่าจงลูกศานี่ต้องทงหมพอไปดูในสุนัขของท่านบสบอลซลัมตรในฮารกุลอบานออุสมานอบานเป็นขของอุสมานอิบนได อาบน้ละไม้ในซอบะเดีนซึ่งหาริสนีฮริสอาารย์ศุขฮาริสนี้เียกว่าุคลารทางมุสลิมได้สาิการอาบน้ำละไม้ในบมอโซลเลสลล์และในการลูกศีสันท่านก็ลูกสีตันด้วยมือลูบศีตันจากกระหม่อมจากกระหม่อมจนไปถึงตอนท้ายของศีสันที่ต้นคอหรือลำคอ แล้วก็ลูกกลับลูกศรนี้กลับมาอันนี้คือศรนี้ล ก, กลับมานั่นคือทั้งหมดนี่อะไรอย่างนี้ล ก, กลับจึงจึงสามารถเรียกว่าลูกศรตามหลักภาษาอาจารย์ว่า ทีความเหมือนพระเจ้ที่บอกว่าลูปศรีรษะนี้ก็คือส่วนหนึ่งของศรีรษะเขาตีความเขาบอกว่าส่วนหนึ่งที่จะเรียกว่าส่วนหนึ่งอ่ะต้องขนาดไหนอ่าบางคนก็บอกว่าสามนิ้วสี่นิ้วก็คือให้โดนน้ำชุบน้ำแล้วก็เช็ดโดยอ้างหาดีสุนันดาบีสรวัสรำบทหนึ่งที่เป็นนาบีใ่ซาบัไในมาบ นายวิเสมามันไม่ช่ชุดมันไม่ชีชุดแต่งกายของปมถ่าถั่วนะเคยมีสุนะนอร์หมดเลพวกซาดะบัตเขาว่าคณะก่าเพราพวกซาะบัตมันใยถายถั่วแต่นี่จะมีพวกซุนเนอุ้นะุนนอร์แบบก็ไม่รู้เพราะว่าซาระบัตไม่ใช่สุนเอร์นี่ไ่แน่เลย สุนนะปฏिเส स สุนाะสุนนะปฏิเสธ न ุม่รู้จะเดนไงณชีสุศรองเรานัลทาไมเรานัลบเรา สระบันนี่ไม่สุนนะเพานบีพวกนี้เนีู่้ขนาดที่ไม่เคยพบพอดีนบีพวกสระบานจึงบากว่าไม่สุนนะเพราะนันไม่สุนนะหมายถึงว่านบีไม่ได้ทำหรือว่าท่านนบีทำแต่มันไม่ได้เป็นสุนนะก็ดูแปลกๆเหมือนนะอะไรที่ท่านนบีทำแต่มันไม่สุนนะนั่นทำตลอดชีวิตนะสระบันนี้ทำตลอดชีวิตนะ สุงมา่ไดนไม่ไร้ข้อบางข้ไม่ใช่ข้อบางทัอแต่เป็นสุ น, านาสามากนบีซํำเป็นสูงากนาบีพวกรราบเพราะอาจ น, น้นละมาที่นบีก็เอาส่วนเลงของมือของท่านประมาณสามหรือสี่นิ้วเนี่ยแล้วก็สอดใต้รรลาบ มืใต้สร บ, บัและเขาเช็ดส่วนหนึ่งของศีระแล้วก็เช็ดสา บ, บันต่ออันนจะมีในสุนทรัณฑ์ท็นานอตสมมอบเลยและและเป็นข้ออ้างของปุรมะบางท่นที่บอกว่าสามารถเช็ดส่วนนของศีระ ไ, ด, ได้แต่อา้าไม่รบจะเาฮาริอันนี้น่มาอ้าเช็ดส่วนหนึ่งของศีระเพียงเดียวอย่างไม่ได้เพราะท่านอดีไม่เคยทาแบบนี้นไม่พูสาร บ, บันถ้าเราไม่พูดสา ร, บ, บ, นนสร บ, บันีก่เชิดหมด แล้วส่วนมากนินบีจะพูดสระบันนะแล้วจะถอดสารบันแล้วก็เช็ดหมดเหมือนกันแต่บางครั้งนินาบีจะพูดสารบันแล้วก็เช็ดบางส่วนเป็นไปได้ที่จะทําแบบนี้ขณะสงครามหรือขณะเดินทางโดยไม่มีเวลาที่จะถอดสารบันเพราะสารบันของอหราบี่เป็นสารบันที่พูดยากและหนักการที่จะถอด จะได้อานนันนั่มาดนะส่วนมันก็จะต้องมาพูกอีกครั้งหนึ่งแต่ถอนแล้วนะมันก็จะรวมนะหมายถึงว่ามันจะแกะไอ้หมดนพะอจะมาใส่ครัง้งก็ต้องมาพูดอีกครั้งหนึ่งอ้ามันเสียเวลางั้ก็นนีก็อนุโลมให้เช็ดเลยเช็ดส่วนนี่แล้วก็เช็ดสรารบารลูบสรารบาแต่ไม่มีสารบารเลยแล้วเราฮาริีิมาอ่นสามารถลูบได้บางสว่วนนี้อันนี้อ้างไม่ครบฮาริสไม่เอื้อ เพราะอายบอกว่าจรงรูปศีรษะก็ดูศีรษะต้องศีรษะทั้งหมดจึงจะเรียกว่ารูปศีสษะไอ้รูปศีรษะนี่ตามสุน่านนบีนะตะลุกถอยแล้วก็กลับมาอาจารย์สุน่านยังไงไอคนที่ทำทรงผมมันแล้วก็ท้าซีลินทาอะไรสารพัดอย่างที่มันทำให ผมเนี่ยมีมีมีคืนมีแอบพวกนี้เนี่ยที่มันลําบากใจลำบากใจมากแล้วลำบากใจตรงที่ว่าอันนี้คุณต้องไปถามสุนนาต้องครูหลายคนที่เขาทําแบบนี้นะแลักษณะทานน้ามันแล้วก็ออกรายการไปบรรยายกันทั้งวันว่าอาบน้ำนมัสการยังไงดูว่านี้สุนนาอย่างไร น, น, ไงะนะอาบน้ำมนมัสการลักษณะผมทานน้ำมันทั้งวันเลยนะเพราอาบ น, น้ำัสการเป็นยังไง อันนี้เกาเป็นแปลกรูปอย่างนี้เป็นสังเงีแล้วหนึ่งท่นนี้เป็นอะไรอย่างเขาทำยังไงนอกจากว่าเขาลำบากใจว่าเอมันทานน้ามันแพงนะนึ่จะไปทําที่ร้า น, นยูทมหาศาลนะแล้วต้าองไปอ่านล้ำหนัทุกเวลานีน่ทีเดียวครับเขาบอกว่ามีซุนหนห่นเราไปอ่านน้ะหมากคั้เดียวสมันยม น, นั้นเขาไปทาผม ตอนเช้าทาผมแล้วก็รักษาันละหมากตั้งแต่เช้ายันปีชานเพื่อรักษาอไอ้นี่ที่ผมพูดถึงเนี่ยไม่ใช่แต่ไกวรุ่นนะต้องกรูนะกุสุนนะกุสุนนะพวกนีน้ต้องมากว่าลนลายชำระทำความสะอาดให้หมดเกี้ยงจัดสังคมเพราะสังคมพุมเครื่ อ, อ ม, มานาแล้วรับไา เขู่แต่งตัวทำของเหมือนกันเธอเนี่เป็นครูได้กว่าอาจารย์ได้แต่ถ้าเป็นเมืองนอกนี่เขาจะคืบกันแล้วครับแต่บ้านเรานี่ยเมันสับสนมันคุมเคี้ยนแล้วก็เกลีใจกันเออเออทำงานกันเออช่วยกันช่วยกันนะเออเออแล้งนั้นจนจนมันเกิดเหี่ยสภาพคุ้มเคี้ยนแบบนี้แล้วก็อีกปัญหาหนึ่ง เอาหาทางออกเาแลก็าอับหน้าเขออารักษาน้ำละหมาดทั้งวันนะสานละหมาดนี้เดี๋อาไม่ว่างนอนี้เวลาจะเช็ดนี่เช็ดยังไงงบนี่เวลาก็จะสุ น, นัเขาตามสุ น, านาันบีไงสุนัขนาบีงลูกกลับลูกกลับแล้วก็ถอยผังสิครับโซนตูที่ไอ้คนนี้ คนที่ให้ความสาคัญกับโครงสร้างการแต่งกายการทาหน้าทาตัวทำอวัยวะของตัวเองเนี่ยให้สอดคล้องกับรูปนแต่ลมว่ามันมีอะไรที่มันสาคัญกว่านั้นนะแบลมลมละมนมันประพติกรรมของคนช่วราพวกเราทุกคนมีความชั่การอาละมาและแต่ลรละหมนี่มันประหมดประ ไอ้คนที่มีลักษณะเหมือนกระเทยเหมือนผู้หญิงที่ชอบทําผมดําทําทรงผมนี่พอมาถึงเวลาถ้ามันขึ้นจากชนาจริงๆอะนะไม่มีหรอกไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่มีความสําคัญทีม่มีความสุขทำไมอยรักษาสุ น, นัขไงรักษาสุ น, นัขเราบอกแล้วว่าสุ น, นัขไม่ใช่ไหมายถึงว่าเออโบชิดแล้วมันไม่มแช่นี้นะคือชิดแล้วแล้วกระถอยกลับสุ น, นัขไม่ได้บอกว่าอ๋อให้มันฟูอย่างเงี้ยมม่คุณก็ ก็ไม่ขังก็ได้อเอหมาก็มาหวีผมก็ได้สุน้าไม่ได้สรางการรมานใจขนาดนั้นหรอกคือสิ่งที่ตามสุน้านี่นะว่าอ่นานเนื้อหม า, ายแล้วเนอาหวีมามาหวมีมันนะหวมันะแต่มันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นสาระสาคัญใหญ่โตสาหรับผู้สรรคแต่จะเป็นจะเป็นเรื่องใหญ่สาหรับคนที่ต้องรักษาทรงผมของตัวเขเอง แถมเมื่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้ทำแบบนี้เมื่อไหร่แล้จะทำมีราน ย, ยอมด้วยยอมด้วยนะคิดว่าน้แลคนส่นมากไม่ได้ตั้งใจนะนำมาเองเดี๋ยวนี้มีด้วยแต่อาจจะเป็นพอเห็นใจคนส่วนมากก็ ังตุ๊กรูนะังครูบาจาร์อุลามอุลามบางคนบาคิดหรืรูปศีรษางส่วนอย่างเงี้ยบางส่วนไม่จาเป็นเราต้องสี่นิ้วหรือนิ้วส่วนนึงก็ได้ i ส g ก็ได้สนวไดนอมาท่านบอกว่าไม่ต้องส่วนหนึ่งของของเส้นเดียวก็ได้เส้นเส้นลึก้ได้ ทำไมก็บอกว่าว่าส่วนหนึ่งของรแล้วและนี่แหละครับอันนี้แหละครับคือทัศน้ของคนบางคนไม่ใชุุุุุุุุุุุุุุุุุ่ัุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุนุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุคุุุุ เขาบอกว่าไว้อะไรก็ได้เนี่ยพวกคราวเส้นนี่แหละที่ผมไปเขียวบอกว่าไว้คราวเหมือนหางหมาบางคนยังไม่ออกคือต่างหมายใหม่ก็ขอให้มีส่วนนึ่งของคราวเส้นสองเส้นกระดานหนึ่งของครา ส, ส, ส, ส่วนเล็กนิดนึงยัก็ให้กรจุกนิ ตรงนี in, e. ้อะหรือวาดก็ได้เป็นโูนนี้แล้วก็มีจุดหนึ่เหมือนตัวนูนนี่ตัวนูนบวกกระสับอะไรแบบนี้อแล้วก็มีตัวนูนและเรียกว่าข่านี่ไงขวนี่ไงอวตึกด้านี่แหละทบไว้เบิไว้ขาวบนี้าฮาไว้่าวบีบบวกสลับบวกสุมลเี ต้นสุนัขจะจัดนี่ยต้นสุนีไว้คราวแบนี้ะตรงนี้กะจุกนี้เย็บๆเย็บแผลเย็บแผอย่าปฏิเสธว่าพวกคุณนี่ไม่กล้าไว้คราวเหมือนนบีพอไว้าวเหมือนบีพวกคุณจะไม่หลอกไว้คราเหือนนบีพวกคุณจะ มันพังยับหมดโครงสร้างโครงสร้างของไปหน้ า, น, า, านี่มั้งหมดพังเร่องไหนที่ธรรมชาตสร้างใช่ที่เามาสร้างไว้นี่คือโครงสร้างที่เราทำมันพังแล้มวันนี้โกงหมดเลยทําลายโครงสร้างข อ, องไม่สุดาพอาจจะเห็นใจพี่น้องไปที่คุณแต่ทุกครู ตูครูนี่แหละครับเพราะผมเชื่อว่าประชาชนส่วนมากที่ก็ไม่ไหวคราวนี่เพาอะไรอ่ะเพราะตครูที่ไม่ไวหวคราและส่วนมากของคนที่ไวหวคราไม่ถูกต้องดันหลักศาสนาในสถาบันตูครูต้องคุยกันนี่ไงคนที่ไม่ไหวคราวเราไม่เห็นตูครูแต่ที่แปลกนะมีตครูน่ะเทุกบ้าบ ผมรู้ว่าเป็นสุนัขแต่ผมทไม่ทาไม่ได้จะไม่เป็นไม่กล้าทำทอันนี้อันนี้กา้ากเหมือนอะไรนะเหมือนคนที่ทาความผิดรู้ว่าเป็นความผิ ด, ด, ผดแต่เราเลิกไม่ได้ผมขอเวลาผมข อ, อ, อ, อรู้อ้าว ต, ต่อมาเออดีหนีลูกผู้ชายอันนี้จะแบง่ะเ็บุรีสีเล่าวสิทำามทํามเป็นอะไรบ้า ไม่มียไหนไอ้มียที่จะปิเสธหลักกาไปเลยนะเพื่อไม่เป็นข้อตําหนิทําไมไม่ไว้คราวเหมือนสุนัขหนาบีไม่ใช่หรือไม่ใช่ไปบอก่ไม่ใช่สุนัขหน้าบีตัวโค้งเหนทํามไม่ไว้คราวเหมือนนบีล่ะนี่หละผมมีทปศนคตว่าเอาไว้แค่นี้กับหมอเออท่านทํากลายเป็น เป็นคนที่มีทัศนะใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับเรื่อนี้ต้องเคลียร์ใหม่เรื่องนี้ต้องมาเคลียร์ใหม่นะครับทัศนะของผมคำนี้คำว่าทัศนะของผมนี่นะต้องอ้างอิงถึงทัศนะอุลามะระดัมุชตะฮีดีนนะคระดับผู้วินี้ฉัยแต่คนที่อ่านพุทอ่านยังไม่เป็นอ่นานฮาริสเซียงไม่เป็น อาญการอาเกี่ยวกับลักการหาดีสงลกการยังอันไม่มดยัอไม่ครบนีอันนี้กยังมีวนัศึกษาจะบอกว่าทันาของผมมีพูดไม่ได้นะเพรามันอันตุมพัดแต่กูนั่นละตุมให้ดูเป็นใครอะที่จะมีทัศนาทัศนานี่หมายถงว่าคนที่มีอำนาจมีจิตมีจิตที่ในการที่จะออกทัศน์หร้ากรณการ ม่มีเลยนะครับถทัศน์นาที่เอาไว้ส่วนไม่มีเอาไว้ส่วนโกนส่วนอื่นแนี่เอาไว้ส่วนไม่มีทัศน์นาเลยแต่ทัศน์นาแบบนี้นะนี่แต่ว่าทัศน์นาอุลามะทัศนก็ถือแล้วอุลามะเขาพวิจารื่งนี้มานานแล้วในตำราที่คนในตำราฮัดีิสตันต์นี่ไว ไว้เราใอ้โกนเราแล้วก็แต่งเราให้สวยงามให้สวยงามตามเจรนิยมอิม่มะเาลีกว่าพวกกอรันลีย์กรันเดลีย์เป็นกุมกเจยเป็นกุมกุมกบกนักบันเดินกเจ้าสำราญที่ชอบแต่งตัวแต่บพวกกอรันลีย์เอกพจมันกกรันลีกรันเลีเจ้าสำราญ คุณน่ะมันก็จะลีบเรืนั้นเพราี่ชอบโกนเอาวน่นะรับสบบนีุละแม่เรืู่รูตัไหนบอกว่ามีศาสนานี้นะเอาชมเลยเป็นศนานี่ยศาสาไทยล้ฮาริษนะไีรองรับฮาริษที่นเรื่องถึ่าวนะไนมุสลิมะษ أ ع ف و ا ل ل ح َ م أ َ ق و َ إ ِ ل ح ي ْ ه ا ر َ أ ر ج و ا ل ل ح َ م ْ ت َ ر ي َ ة ن َ ب ي ش َ ي ْ ئ ا ك َ ه أ أ ر ج و أ ت ر ك و أ ر ج أ و ْ ر ُ ه ك ْ ر ِ ع و ل و ا ي ل َ و ا ك و ي َ م ن أ َ ل م ك ك م د ا ئ ِ ل َ ك َ ت م د ا ئ ل َ มี่สหามาที่ตัดตัดคขานะครับแต่เขาจะตัดช่วงฮัชิลออมรเนี่ยเวลาจะโกนศีรษะเนี่ยเขาก็จะเขาจะจับเ่านี่เท่ากับกำมืออย่างเงี้ยส่วนเกินอันนี้ยกาจะตัดนี่มีอับลไลบีออมรมีอุลเรรอมีจับรุซาบารนีเะตส่วนเกินพอปล่อยแล้วยังมีครานี่ยังยุบยง เขายังนลือกเลยยังมีเ่าอันนี้นลยที่มีสักจากนบีไม่มีเลยนะจากนบีว่านบีตัดเจ้านบีสั่งให้ตัดแล้วคิดเลยไม่มีเลยจากนบีแต่สาบ้านยังมีจิงเป็นข้ออุปโภคสามารถกระทำได้เอามาเลยอันนี้จากนบีจากสาบ้านที่บอกว่าโกนได้ กรณ์บางส่วนเอาไว้บางส่วนเดี๋ยวว่าครน่ะศีระนี่นะับผมมีะเีห้ามเลยห้ามกรบางส่วนและเอาไว้บางส่วนอันนี้ม่มุสลิมอหุคุลหอดัรุคุลจะกรกกหมดเไว้กเอาไว้หมดอันนี้สหรับีะนะคราวนี้่เลยเอาไว้บางส่วนกบางส่วนไม่มี แล้วถามว่าเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องไว้คราวเก่ยวกับสุนนะไม่เกี่วกับเรื่องแ่ายอย่างเดียวมันเกี่ยวกับเรื่องสุนนะยตรงโต๊ะคาะโต๊ะครูและอุลามานะต้องยืนยังค่ที่กิม เอาฟุ่มลิพ า, ว ด, า, ว, า, ว, าดวดุ้ยชวาริบจงวัดพาวคิดหนวดคิดหนวงหรือโกนวงทั้งสองทำได้คิดคิดก็คือส่วนส่วนเกินส่วนเกินนี่ก็สามารถคิดส่วนที่มันเกินสีปาของเองไกน่นี่มาคิดจะคิดหรือมีวิธีมีเจืนมีทำาพราะตัวการู้งเรอไก่กาอาจจะใหญ่มางีก็จะเอาสีวา่าซีวา่าอย่างเนี้ย แล้วส oh, ่วนที่ม e um <re> ันเกินพอของหวดที่มันยานี่นบีเขาจะก็จะเอาส่วนเกินเนี่ยด้วยซีว่าอย่างเนี้ยแล้วก็เอากังไก่เนี่มาตัดมาขิดหรือจะโกนทั้งหมดนี่นะมีเขาในคำสั่งที่มีให้ทำดิสูริปุลคนข้าวิปุลมุสลิมตรงปฏิบัติตรงกันข้ามกับมุสลิกแย่เลียนแบบมุสลิ เราจะว่าเป็นเอกลักษณ์ของผู้ศราคือไวท์คราวเป็นเอกทำไมหนูใช่สิไว้์คราวนี่มันไม่ใช่เรื่องที่หักจากธรรมชาติมันสอดคล้องกับใช่และคําสั่งสอนของอิสยาห์นะในเรื่องนี้เนี่ยทุกสิ่งนี้มันสอดคล้องกับธรรมชาติเรื่องตัดเรื่องตัดหรือไว้หอ่อาสังเกต ด, ดู เข้านี่อาไว้ทาไมอะครับผู้ชายมีเขราผู้หญิงไม่มีเข้าถ้าผู้หญิงมีเข้าวะนะจะสหนตัดให้โกนทําไมผู้หญิงไม่ดินะแต่ผู้ชายอะแมนต้องมีผู้มีหมดูนะฮะดีสันติโดยบุคลิมุสลิม แต่นบิบลาพุทธ์อัสรุนมิณฑิทรัพิรการเป็นอิทรเป็นธรรมชาติจำนวนคมั่วซีมบอกว่าส่วนนี้ในอภิปรการนี่คืออะไรถอนขนดักเร็ถอนขนดักเล็นี่สำหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิงธรรมชาติทาไมธรรมชาติขนมันออกอ่ะ คนมันออกในธรรมชาติแต่ศาสนาบอกว่าให้ถอริกรและกุลอลิสติคแากกุลผลลับธ์มีทั้งหญิงและชายไปธรรมชาตินี้มันออกมีขน่ะใช่ัหมธรรมชาติมันออกแต่นบบธรรมชาตินี้มตอไรพิเศษพิเศษร้อนี้ก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราได้เป็นเช่นนั้นไอ้กนลผลลัก คนดีอย time, follow them, follow them. ู่บร e เนตเอาไว้วะพี่ไอโก้ไอกรอุลามะอุลามะบอกว่าเป็นว ajib ว ajib นะอว้ไมด้นะล้วบุหานบกว่าทนบีสุลต่านละนี่ลองแค่สี่สิบวันเกินสี่สิบวันเาวูต ต่ำไมที่ขนบางส่วนในเรื่องของเราเนี่ยาะเสนอว่าเอาไว้บางส่วนบอกว่าอย่าเอาไว้ไอ้ก้ทำไมิทธิฤทธิธรรมชาติของเราอ่ะนะเราไม่อินธรรมชาติตามที่เราสัมผัสตามที่เรารู้สึกตามด้วยใจธรรมชาติเราก็ต้องอินในสิ่งที่เราสั่งเรากำหนดด้วยทาไมอะ่ะเจ้าของธรรมชาติ ในธรรมชาติที่ Allah จ้างไว้เนี่ยตัดเล็บเป็นวิธะตัเล็บมันอาบๆตัเล็บเอ้าธรรมชาตินี่มันเล็บมันออมเล็บมันงอกเรื่อยๆไม่ใช่ไปไหมสิมีใครมีใครในมนุษย์ที่มีอะไรทำนี่ไว้มี่จะพื้าบ่บที่ไว้ไว้เล็บเนี่ยจะได้เข้าทำกำไรเศรษทีเออเล็บกูยาวกว่ายาวดูเหมือนเดรัจฉานเลย ก็แสดงว่าสิงที่เราจะตัดหรื s จะเอาไว้เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความ เรานมุสลิมียนเรียนแบบกาแฟกาแฟนี่ตากกันตรงใจใช่ไหมจ๊นึกจะยอมสีสันนึกจะยอมยอมยังไงนี่สลงสีแดงสีเขียวทำนึกจะทำอะไรก็ไปทำได้ัมีเกะมีกรอมีเห็ยนมีปุ่น อุลามะจึงถือว่าการไว้คราวนั้นการไว้ครานั้นเป็นวาจิตอิมามอิมฮะย์ในหังสืมาราทิบุยอิมาเป็นนังสือล่ายานเอกฉันของสลัดอิจมาอสลัอิจมาของสลัอีชอสลั ابن ح ز ب و واتفقوا أن حل جميع ا ل ح ي ا مسلة لا هم تجوز إ ي كان لنا ذلك. كل ا ر و تاموت نيا مسلة ن ك ا ن تاملاي ه ا م ا ش ا لأن و ض و ل ا تجوز. ما أنيا فكرة عندي. أرخص. พี่น้องใจผมพี่น้องก็รู้จักผมไม่นานแล <c oughs> คนดีไว้คราวกับคนนี้ไม่ไม่ไว้คราวในใสายตาผมผมนี่นะเหมื <c oughs> อ น, นกันผมไม่ได้วัดที่คราวที่อีมานนะไม่ได้ไม่ได้วัดอีมาที่คราวเพราะมันเป็น ไว้คราวไว้คราวยังไม่ละก็บุรีบุรมีมันแต่เดี๋ยนี้อยากอย่นี้ต้อเข้าใจผมด้วยนะว่าการนีผู้รินเนี่ยเรื่องคราวเรื่องอะไรนี่ไม่ใสีหมายรู้ว่าเอ๊ะทุกๆทุกคนในตัวไว้คราวคราวนี่เป็นเรื่องหลักสำคัญที่สุดในเรื่องนี้ไม่ใช่คราวีนเป็นส่วนยึดของหลักการศาสนาแต่ที่ผมกําลังวิจารณาในนี้ในการบิดเบือนหลักการศาสนาด้วยวาจา มันนี่ด้วยพติกันมโดยเฉพาครูนุ้งอาทิตย์ต้อเคี่ยต้องเคี่ยในสังคมนี่เนี่ยผู้อยู่มานานแล้วแล้วก็ไม่เคี่ยสักทีไม่ได้ตัวครูไม่ใจมวกอืมหุกันได้ได้เรตัวครูไม่ใจมวก บรรยายไม่ใส่หมวกกันและมาก็ไม่ใส่หมวก็ได้ซอกแต่ต้องซูดีเป๊ะๆที่รน้อเรต้องเปุ๊นน้องิจเบุลแล้วุนท้มาถึงเรื่องหมวกเ่องหมวกบอกวไม่มีสุนนั้นแล้วกลายเป็นสัญลักษณ์ของสุนในประทไยนี่แหละ จะรู้ว่าใครเป็นสุนนะัขตัวคู่สุ น, นสัอัูตตที่ไม่ใส่มวกดูัวาุเนะครับพีนนน่น้องตูสุนหือตัวคูที่ไม่หัวไม่ใส่หมวกอะไรต้อใส่หมวกคราบานหมกกันหนาวที่นี่เลยใช่ไมหไม่ใส่มวกนีคือสุนัขี่นนบีไม่เคยนะครับปรากฏตัวโดยเปลืย ศีษะนิ่งแต่ก็ไม่ชี้ขอบางทางแต่ตุคูอุลมาในฐานะที่เป็นผู้สิบสการมรูปขอ ง, อ ง, งนบีเนี่ยตุคนี่ได้รักษอะอาร์บ้านเป็นขรุขระขรุในลิ้งรุบะหันกันกายเป็นผู้ น, นบีบ้างตุงูใส่กันเกงจิก้กันเกงยินกันเกงงรักลูก นี่เหรอเนี่ยพี่ทำออกมาแบบนี้มีสุนงามนี่เห่าปเนี่ยฮ a m สินนามไปอยูนอลคามี่สิน อดโอ้คิดกูคิดก่มาไม่าก <c oughs> คนที่คนค น, นะค น, ค น, น, นี้ต้องแทนศาสนาคนที่ถ่ายทอดศาสนานี่ต้องเสนอเงต้องมีเกียรติต้องมีต้องมี ภรมีรูปของควนเป็นผู้รับนกรเคยบริษัทต่างๆมีองค์กรต่างๆก็ยังรักษาแต่เมื่องานมันต้องใส่เสื้อของบริษัทนะเออเออไม่ใส่เสื้อบริษัทอื่นนี่โนไล่เลยนะผนักงานเ็าําหมวกให้ใต้องใส่หมวกขององค์กรนะไม่ใส่หมวกเงินไปได้นะ อออกแบบป็นเก่งต้องใ่ันเกงแบบนี้นะเปนสันเก่งอย่างอื่นตามใจมไม่ได้นะตาได้มาทางานในเวลาทาการนี้ก็ต้องรักษากติกาองค์กรมันเลยคูรู้มินีนมีสเกลักรู้ไดนนี้ไม่ร <laughs> ู้เลยฉัูรู้เลยเป็นคนแตกต่าง ก็มาเจอมาอายานี้อัลลอฮฺบอกว่าให้ไห้ให้ลูปศีรษะและล้างเท้าเป็นี้ไม่มีล้างเท้าแต่คําว่าอารดูลาคุมนี่คำมมันมีสราที่บ่งถึงตาแหน่งคํานี้ว่ามันเป็นกรรมและกรรมในประโยคภาษาหรับนี้ ถ้าไม่มีอักษรประกอบอย่างบีหรบรูสิคุมมันก็ต้องมีสระเร็นภาษาทมีสระอักตก็แสดงว่าออมสัพูบิรูสิคุมวารุและกุมมันคนละสระกันแสดงว่าตำแหน่งของแต่ละคาในประโยคไม่เหมือนกันออมสัพูบิรูสิคุมจงลู ศีรษ k ด้วยมืะแส่วนนี้ของะอันนี้ก็แล้วแต่ดิตีความตัวบาตัวนี้แต่ว่าอัลกุลลุมมันกลายเป็นคที่มีสระไม่เหมือนบอกว่าแสดงว่าลเนี่ยมันไม่ใช่ของกรยานีของกรยาแต่เป็นของกรยานีซิมและล้ละลา เึ่งนีนะครับในประโยคสารบนี้อาชจีกิกกริยาหลายอันแล้วก็กรรมเนี่ยก็จะแบ่งให้อกที่พลของของกริยานยมันเปนสูกรรมแต่ละกรรมที่มันมีในประโยคนี้ก็มีนในวรรคดีอันดับนี้สรุปกระับว่าเท้าหนี่อลาแต่บุกาชี่นนี่ดันไปอ่านบุกเชยนนมันดันไปอ่านพงศ์ชูส่งลูกะิศ วารจุลิกุมคำสั่งของพระองค์สิ่งนีวาลกุมเกี่ยวกับคำที่นี่อิติพนรักอิติพนจากการเยาวมศ ا ห์ชาวคนเหล่านี م เป็นชาวหัวหายลูกศิษย์สาวและเท้าเท้าแดงเวลาล้างเก็ไม่ล้าเช็ทซึ่งเป็นเป็นความเข้าใจที่ขาดเคื่อนสิ และสุดท้ของนั้นนบีสุลต่านเลยมิสเรื่องนี้อย่างจริงไม่มีนบีไม่เคยลท้าแต่เยลูรอ้าเคยลูเ้าม่ีเคยลกสรบนี่แต่ลูเอวว่อไปนี้ลูบาเนี่ยนี่ไม่มีไม่เคยมีี่า ล้างาทีลาถึงไหนแล้วพวกพอิลลังกาล้าเ้าถึงตะตุ่มล้างเท้าของพวกเจ้าถึงตะตุ่มทั้งสองตะตุมแต่ระชั้นนะครับนักภาษาอารันักราบ นักนิกติศาเอกชนน่ะตุมนี้ก็คือกระดูกสองก้อนที่อยู่ตรงกันข้ามกันที่ต้นเท้าที่ที่ลำนเทาเพราะมีอุลมาบางทั้นที่ผมว่าตะตุ้มเนี่ยก็คือส้นเทา้าซึ่งหลักภาษาตามประธารุกรมเลก คำสั it, ่งสอนของท่านพระบิดาเราละเสริมปฏิเสธอย่างชิงเขาใจหมทั้งว่าแล้วล้งเพียงเดียวไม่ต้องล้างถึงกระตุ่มนี่ผิดหลักการงสิชิงจะ้งกระตุ่มกระตุ่มอยู่ในส่วนที่ต้องลังมือิละก่าไห พอเงคุณต้องจนบังบตรอฮารูหากพวกเจ้ามีนจ้านาบะจะนาบะก็คือลักษณะของร่างกายที่ได้กระทำอะไรบางอย่างที่ทาให้ไม่ควรที่จะประกอบศาสนกิจขณานั้นหากเสียน้นมาด้วดการปัสสาวะหรืออุจจาระหรือไนม หรือเสียจากภาพลักณะความจะอาดโดยรวมจากการร่วมหลับนอนระหว่างภรรยาสามีอันนี้ก็เลยเป็นขาดสิ่าดสก็คือเหตุการณ์เหตุการณ์ย่า่เหตุการณ์ใหญ่าสย่งใหญ่ก็ต้องยกเลิกด้วยการอาบน้จ้าอาบน้ำเฉพาะนักไม่อยบน้ำละหมากรบน้ำต้องตัว Allah ทรงบอกเราเอกุ Actually, ้ตุงจุนบันสัตว์ทั้งหากุเจ้ามีญาบัต์ก็ทรงชำระร่างกายให้สะอาดาบะ์ที่เกิดแก่มนุษย์แม้ว่าจะเป็นชายหรือสตรีด้วยแต่เป็นชายด้วยการสัเปียหรือร่วมบร่วมลพระรเพอนามี และสำหรับผู้หญิงก็ด้ร่วมหลับนอนระหว่างพรรยาสามีตระมัดที่ะด้วยการมีประจำเดือนทั้งหมดแล้วก็ต้องอับน้ำเ้วันอาทิตนี้เป็นต้นทั้งสามีแล้ะทั้งผู้ชายและผู้หญิงก็ต้องมีการยกบัได้แก่ห้ือาบน้ำเช้ามีคนดีชัวเ แล้วก็ต e. hey, ah ah. ีศาสนแเราก็มีเหตุผลอะไรที่คนที่ร่วมหลับนอนระหว่างภรรยาสามีเขาไม่สะอาดละหมาดให้บางเสียงวันไม่ได้ละหมาดไม่ได้คนที่เปิดสวะคนที่อุจจระแล้วจล้างแล้วเนี่ยแล้วเอาไว้ว่าเปดยันเปียน้สาแล้วทำไมละหมาดไม่ได้ไม่สะอาดล่ะไม่สะอาดอุลาบอกว่า คำสั่งแบบนี้เนี่ยโลกปริโกลิปาร์บูลเป็นคำสั่งที่เราปฏิบัติเพื่อถวายปฏิบัติปฏิบัติจริงยวไม่ต้องไม่ต้องมีเหตุผลทําไมเป็นคําสั่งหันหน้าไปยังกาบ้าอย่างเงี้ยต้องดูต้องดูแบบนี้ต้องรู้กแบบนี้ไอ้คําว่าทําไมนี่นะมันไม่ช่วยมาก ที่จะให้เราได้ปฏิบัติเต็มที่การเชื่อฟังการปฏิบัติอย่างครึ่งครัดด้วยความเต็มใจในการปฏิบัติตามคําสัง่งต่างๆที่จะทาให้การปฏิบัติของเรามีความหมายมีรสชาติมีความสุขแต่การปฏิบัติโดยมีข้อสงสัยร่วนลํานองหรือมีเจนอาบ้านที่วามเปลี่ยนก็มันต้องอานนะ ไม่เกี่ยวอาไม่เกี่ยวบุญไม่เกี่ยวถามไสักส่วนนะบอกว่ายังไม่มีถ้ามีอาบนะถ้ามีหาดใหญ่มีใช่ไหมบ้าร่วมละนอนระหว่างบ่นไหมแล้วไม่มีน้ำไม่อาบน้ำจะมไงนะจะละหมาดงะมีไงเติมมุ้มถามว่าละวติมมุด้วยดินด้วยทรายนี่มันจะชำระตรงไหน แสดงว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องชำระไอ้ความสะอาดนี่มันเกี่ยวกัอาบน้ำแล้วมันจะอาดตรงนให้มันคือคำสั่งคสั่งมีเหตุผลว่าบาเชื่ออัลล์ุวาลมจบตรงนั้นอัลล์จึงบอกว่าอิุนตมรดอซริอาะจาฮัรอ مزح ب و ج ك م وأيديكم ه และหากพวกเจ้าป่วยจงดีนะป่วยไม่อยู่ในการเดินทางเดินทางไกลนะทรบหรือวเดินกันเราจะาม่คุ้มไม่เงินรอสิหรือคนใดในมูพวกเจ้าป่วยไม่อยู่ในการเดินทางหรือคนใดในพวกเจ้า มาจากการถ่ายทุกข์อันนี้เป็นประโยคน่จาจะซอำมาขึ้นผิดนนะระรือคนใดในหมู่พวกเจ้ามาจากการถ่ายทุกข์หรือได้สัมผัสหรือได้สัมผัสหญิงมาหญิงมาได้สัมบัติหญิงมาได้สัมบัสหญิงมา ต้องมีที่มีที่ตีความว่าสันตินี้คือดีมากผมก็เลยอ่านเปดีมากเ อ, อมมาใหม่และหากพวกเจ้าต่วยรีอยู่ในการเดินทางอันนี้ตับไปนะรีว้คนไปในในหมู่พวกเจ้ามาจากการถ่ายทุก หรือได้สัมผัสหญิงมาและพวกเจ้าไม่มีและพวกเจ้าไม่พบน้ำก็จงมุ่งสู่ดินที่ดีมันมีไข่ทุกสัมผัสหญิงไข่ สัแลวไม่พูนังไทยทุกหนีภาษาอุจจาระสัมปันินี่เดียวอะแต่อนเนี้ยสัมปันไม่ใช่คำว่าสัมผันิสัมผันิสัมปันถ้าแปลตามภาษานี่มันต้องละมัศตุมละมัศตุมไว่าสัมปันแต่ละ แปลว่าสัมปัตซึ่งกันละกันลาเมสตุหรไม่ชินลาเมสตุสัมปัตซิ่นกันละกันมันหมัยซึงมันมีความหมายเหนือกว่าแค่แตกสัมปัตในภาษาอรั б และในภาษากร่านีลาเมสตุแปลว่าร่วมละมอมนี่าาที่มันสูงอไราบีพูดเลยลาเมสตุเขาจะนับว่าร่วมละมอ รแรง <c oughs> มาสัมผัสลุ่มๆอะลรมาสวนมากก็บอกว่าสัมผัสผู้หญิงนี่ไม่เสียน้ำกลือดหมักนะไม่เสีน้ำเลือหม า, ไ ม, มาไม่มีหลักฐานเลยจากกุรัลลาฮาริสต์นอกจากไยาห์นี่ที่มัมชีฟีกันเนียวที่ดีกว่ความแรมาสัมไปว่าสัมผัส แต er? um. ํสัป er? ัตตผู้หญิงสัมปับต์ผู้ชายเนี่ยเสียในละหมาดอุคุและก็มีรายละเอียมากกว่านี้ผู้หญิงสัมาผู้ชายเนี่ยลมากกว่านี้สัมปัตผู้หญิงเสียในละหมผู้หญิงทุกสัมปัตต์มากอย่างเงี้ยแตลงคุณแม่นี่เสียในละหมาดไหม ยุ่งเพราะในผู้หลัไม่ได้บอกอะไรว่าอันนี้จะยิ่งหมดรวมถึงอ่ะก็กลายเป็นความขัดแย้งในมืสัปดาห์ที่ผ่านมตัวบรรดามัตรธมสําหทันที่เขียนในธรรมะหรือปล่าทักษะนึงบอกว่าสียแต่ทักนงบอกว่าไม่เสียนี่นึงไม่ับเองในม่สัปดที่นสาาหตร์โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเขียไห มีเรื่องมีมีรถเมล์นี่นปัจจุบนชนมือชนแต่ ว, ว่ามีแต่สมบัติชนมีก็ขัดแย้งกันเองมั้งแต่ส่วนมนากบอกว่าตั้งใจไม่ตั้งใจนี่เสียทัศน์หน้านี้ในส่วมากใเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีไทยชายแล้วในมนบรรดาผู้ที่ปฏิบัติกันก็กบริษัทไม่ใช่ทำไมอะฉันไม่ได้ แค่นี้นโดยเฉพคนที่ ต, ต้องเดินทางทุกวันขึ้นรถเมลไปตวับกันอย่างเงี้ยโอไปตะวรันี่จบเลยเนอจบเลยนะมีวิธีเดียว ม, มีวิธีเดียวก็คือต้องใส่เสื้อผ้าหลุ่มเสื้อผ้าเนี่ยติดหมดเลยไม่ไม่หัวอะไรสักอย่างไม่ได้จะมีนะผู้หญิงเนี่ยพอไปตะวรับนี้ก็แม้แต่ด้านผู้หญิง ที่เขาไม่ปุงมอีกอยอางไม่ปุหน้าแล้วก็ไม่ใส่ถุงมือเขาใส่ถุงมือนี่มันใส่ถุงมือขนอขอาดปรับรองไม่ได้ไม่ได้จะทำยังไงอะ่ะแต่หนูนเจอพี่น้องอินโดที่ก็เพ่นเงนี้ยเขาจะใส่ผ้าปิดมือมันเป็นผ้าที่ปิดด้านนอกของมือมันไม่ได้ถุงมือผ้าจะปิดได้ที่ทำไมอะ่ะตอนเราตะวันตกกันเลยนี่ ไม่ชนคนอื่นเขาอะไรอย่างนีน้แต่มันมันก็ยังเป็นก็ไม่ได้ะยังไม่ได้ไไไไดยากมากแต่เจ้าจะมาสวนมากก็ไม่เลยเรากว่าสำหรับผู้หญิงนี่ไม่เสียน้ำนมมาอีมูฮัมมัดบอกว่าเสียน้ำนมมาถ้่มี อ, อ, รอารมณ์ก็เป็นเรื่ อ, องที่อ่อนเหมือนกันเพราะมาันหมารวมว่าอารมณ์ทําให้เสียน้ำนม นั้นแหละหมถึงว่าถ้าเกิดอารมณ์นั้นเสียนละหมาดนะไม่มีหลักฐานว่าอารมณ์ทำให้เสีนนั้นละหมาดนที่เราไม่เสียนั้นละหมาดนี่ก็คือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ออกจากออยพี่เช่นน้ามาดีหรือมันดีถ้าเกิดอารมณ์แล้วก็มีน้ำอสุจิหรือมีน้ํามาดีก็คือน้ำต้นๆที่มันออกเนื่องด้วยอารมณ์มาแล้วน่ะเสียนั้นละหมาด ต้องล้างน้ำม no. so ัสการต้องล้าเอาไว้พิณแล้วก็อาบน้ำะมัสกาแต่ถ้ามีอารมณ์หรือไม่มีอารมณ์สัมปันนี้ไม่เสียน้ํนมัสารแต่นั้นไม่ใช่หมายรวมว่าเออเชิญสัมปันได้เลยไม่ใช่นะคนละประเด็นนั้นเป็นเรื่องนะเี่ยสมบูรณ์กับสัมผัสไปแล้วก็ไม่เสียน้ำนมาสการทีนี้ตรงนั้นนบีสุรุลละมาร์มากมายยืนยในเรื่องนี้นบีอาบน้ำนมัหกาที่บ้านไปนมัสการนอาบน้ำนมัการที่บ้าน แล้วก็ไปทักทายทาากันยังไงใช่เหมือนกับจะอาลาก้านยังไงใชก่อนที่จะไป้ปนกระบีติดมือกิดง้อไปลาต้านยังไงใช่ก็ไปหอมแก้มแจูบต้นยังไงใช่แลไปแล้ว嘛ผูร้รายงานเรื่องนี้แล้วดูเจ้า ต, ตัวเองคือท่ายังไงใช่มันจะได้ไม่มีข้อสงสัยว่าเอ๋คนอื่นไปเล่าเนี่รู้ยังไงทงไมต้องสงสัยนครบต้ตัวเองตล่าแล้วจะคนคนนี้เี่ย อาจานี grammar, no ่ไม่เอาเรื่องนี้นี่มาเล่านี่ปาณีครึ่งหนึ่งของชีวิตผมกัณฑ์นาวีนี่นะเราไม่นี่เลยปฏิธรรมนะของบรรดาภรรยาตาดีที่นง่นหมดแล้วเขาเขาต้องเสี่ยงในการเปลืองตัวเล่าสิ่งที่มันเป็นความลักปกติแล้วผู้หญิงมัจะอายไม่ใช่ะตรอเปยกดบอกว่าสามีมาจูบฉัน่างนี้ตอหน้าคนเนไม่แครเหรอเพาะไอ แต่อันนี้เขไม่อายทำไมอ่ะเป็นการกระทำของนบีเป็นบทบัญญัติเล่าแล้วมีประโยชน์ส่วนรวมตูดความอมรนาของบรรดาชาตี่บ้างสัมวูท่ามม <c oughs> นหญิงก็อายนะเอรแล้วนี้ก็อายนะจะเล่าว่าท่านนบีได้ได้ไม่สู่ภรรยาของท่านบางคนและไปละวมา คนนี้ฟังอยู่ก็ทีอหลานาจะไเช่นอาจารย์เป็นโอรัวใครพระนายาเนบีที่ที่นบีถูกเจ้ า, าจะวรองข้า้านายเหมือนเงินแต่ต้องเล่าให้เป็นประโยชส่วนรวมแดกประชาชาานทั้งหลายนบีลมาอยู่นี่ขณะละหมาดเตียงมุดเลนนะแล้วแล้วจะจะไงเช่นนอนขวางนาบีนอนขวางนบี นบีพอสู้ดูดีนะมิดสู้ดูดก็จะกีดเท้านี่หนึ่งันจะกิดขาให้ให้ยุบขาหน่อยให้ลีกหน่อยมีขนาดละหมาเปียยนละมาปด้ไหไม่เสียนเิแต่นั้นไม่ใช่มารวมว่าสำหรับมือผู้หญิงได้นี่เป็นประเด็น อาจารย์นบ <chill> ีสัมบลัลลอฮฺบริัมบุญะอัลลอฮฺทบบัญญัติเรื่ี้สิ่งเจนถ้าผมไม่ไปสกสิบนาทีเพรานี่ีควรสำบัดมุฮวิมุฮวิมาจากมัตเตะอบายุมาจากมัตะมาพยายามกันบีปะเภนี้พยายามกันสัตยาบันนี่คือจับมืกันผมขอสัตยาบันว่าฉันจะจะรับอิสลามแลจะต่อสู้อิสลามบ ผูชาต้องยานีมแบมนผู้หญิก็มายืมจะได้สัมบัมือนบีและตะแตะตังจะนบีนบีบว่อินนีและอุซอเก็นคนที่จะรับทีบุคคลี้ข้าตาไม่สัมผัสไม่สลามไม่จับมือบีมีใครบริสุทธิ์กว่านบีไหมเพราะฉนั้นผู้ชาที่ชอบสลามผู้หญิมเนี่ยบอกว่าอย่าไปคิดมากพวกเอ็นเนี่ยมีโรคจิต ไอ้โรคจิตห้ามสมบัติใ่มีโรคจิตแต่เราใบริษัทเราไม่มีสถานผู้หญิงไม่มีอะไรหรอกจริงเหรอไอ้คนที่สลานผูหินแ้มีอะไรนี่แหละมีโรคจิตครับคนที่มองผู้หญิงแล้วมีอารมผู้หญิงมองผู้ชายมีอารมผู้ชายหญิงสม a ัติกนแล้วมีอนี่คือปกตินี่คนปกติ อ้คนกติแไอ้คนที <controle> ่บอกว่าไอ้พวกคริมศาสนานี่ไอ้ปีกินี่ก็ไม่ใส่พวานี้มันเป็นโรคจิตตาครับพวกนี้แหละครับที่มันเป็นโรคจิตที่มันชอบแก้ผ้าแลวไม่มีอารมณ์นี่นะครับชอบแก้ผ้ากันนี้นี่แหละโรคจิตไม่ปกติแต่สาสนากำลังพูดกับคปกติพระพุาก็พูดยิ่งนี่ฮะกันนะอย่าอย่าเอาน้ำมันกาแฟนี่ไงกันนัามันลุกนะระวัง เม่น yup. ่าหวังแ้วไม่นดาวังอะไรมันเสร็จรินขณะนี้อะไรนี้มันเกิดจริงจนสุดท้ายวิจัยสถาบันวิจัยการศึกษาที่ไหนประเทศอเมริกาประเทศที่มีการปักปมหญิงกระจายในสถาบันการศึกษามาโดยตลอดตั้งแต่อเมริกาขาต้องประเทศนะ สี่ตวรรแล้วนี่นหญิงจะกันในโบสถ์กับผ่อนนัหมดจนกระทั่งสถาบันการศึกษาสถาบันเกี่ยวกับการศึกษานี่ที่สุดแล้วว่าสถาบันการศึกษาที่แยกหญิงแยกชายนะมีประสิทธิในการเรียนในการสอนมากกว่าสถาบันที่มีปนหญิงกันนะทำไมอะคเพราะเุผนขาศึย่าละอียที่ตัวและใยก งาวิจัยนี้เนี่ยให้ส่วนกลางของรัฐบาลอเมริกาส่วนกลางรัฐบาลอเมริกาออกรูปประมาณนะครับอนุมัติรูปประมาณสนับสนุนโรงเรียนที่ไหนที่เรไปรู้ก็บกังคับไม่ได้แต่โรงเรียนที่ไหนสถาบันสถาที่ไหนต้องการเนี้ยทีเงี้ยใชย่แต่ต้องการรบนัะส่วนกลางของรัฐบาลเนี่ยยินดีสนับสนุนให้รูปทำไมก็พิสูจน์แล้ว ระบบนี้เน for ี say, anyway, ่ยเขาไม่ไดเอาหลักการพุดอ่านอิสลามอะไรนำมาใช้ไม่ไอะไรที่มันมีประโยชน์โดยการวิจัยนั่นนั่นเอามาใช้วิจัยแล้วแไปที่สรทานต้องรอพันห้าร้อยปีจะได้รู้สด้วยตัวเองนะเพราะการเนี้ยอย่างเ้ชเนี่ยมันอันตรายมันไม่มีประโยชน์มันทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงกับชายจะต่างารมณเฉพาะในสถาบันการศึกษาสนุ ต้องราคีเป็นปัปีนะกว่าจิสูจน์แต่รูสะานี้ไม่สั่งสอนนี่มาจากพรราษูรนี่าน้อมรับอยู่แล้วมีเหตุผลไม่มีเหตุผลยี่ห้อปฏิบัติเองอะไรที่ะรณีที่ยกตัวอย่างกรณีเสียน้ำเลืดก็คือ ก็คืออยู่เขาเรกอะไรนมาจากการถทุกปัวะุจเลลตยงขงาดเจนรรปละโรเร่ามีนี่ันกเลียนละมลวเียมีด่เจนารตมพุกแนมพุกแนม ไม่พบน้มก็คือไม่มีน้ำใช่ไมทำไมเราไม่มีน้ำในกรดมันก็กำลังจจีดูไม่พบน้ำก็แปลตามนั้นจริงแต่ไม่ได้กว่าไม่มีน้ำแลวพวกเจ้าไม่มีน้ำใช้ทำดอาไม่ได้อย่ไห้เพราะบางทีมีน้า มีนม้ำแต่น้ำไม่พอในการอานนื้ลมาดพอสำหรับดื่มสถานะผกว่ารับเ ส, บบสาะให้ด่แล้วไปเตะหมใช้ดื่มพบน้ำจะต้องเอาธุระนิดหนึง่งเช่นเดินไปนิดหนึ่งเดินไปตักนิดหนึ่งเดิ น, ดนเนยอะไหมอ่าโุรมาก็ขัดแยด้งกัน เดินขึ้นมาหนักที่จะต้องไปหาน้ําเนี่ยต้องแค่ไหนจะได้ถือว่ามาดิษฐ์จเป็นต้องเดินหานะำอุลามาบอกว่าก็คือกรอบที่หาน้ําและไม่ลําบากเดินไปไหนอ่ะหยุ่อีกตําบลหนึ่งก็ไม่ถึงเขาก่อจะเดินไปเอาน้ำมาอาบน้ำละมาดนี่ก็เวลาละบาบมานหมดแล้วมันไม่เหลือแล้วเป็นขนณดนั้นอุลามาก็บอกว่า เดินเท่าที่เดินได้แล้วไม่ลําบากสําหรับคนทัว่วทั่วไก็ตรงเดินเดินไปเจอน้ำศาสนาสอนให้มุสลิมมีศักดิ์ศรีพบน้ำพบน้ำแต่น้ำนี้ต้องซื้มีความสามารถซื้อไหมบอกว่าต้องซื้อเต้องหาเงินมา ใช้ตันในการซื้อน้ำแล้วไม่ลาบากไม่ใช่ว่าเออใช้ตันแล้วแล้วไม่มีจะกินไม่มีแลกไม่ได้ไม่ลงซื้อแต่พื่อนี่มีฐานะซื้อน้ำได้แล้วไม่ลาบากไม่เดืร้อนหรอกซื้อซื้อหวานไม่ลำบากต้องซื้อไม่เสียสักสีทําไมซื้อตังของฉันต้องซื้อทุบน้ำแต่นำเขาไม่ขายก็ไม่ขายมีน้ำแต่ก็ไม่ขายแต่ต้องขอ นี่ครับขอนะ้ำหน่อค่ะเราต้ n งพูดอย่างนี้นะไม่พูดมันก็ไล่เลยนะต้องขออุลามบอกว่าให้ต้องข อ, อ, ม อ, มอไม่ต้องใช้นะ้ำแต่ยังมุดเลยทำไมอ่ะเพื่อรักษาศักดิ์ศรีอันนี้อุลมามเอามายกเป็นหลักฐานว่าเรื่องจะเป็นอย่างอาันน ะ, ะมานีนะ ที่ต้องเดินไปหาน้จะไดพบน้ำพอพบแล้วเนี่ยบอกวาต้องขอผมไม่ต้องขอภาษาศกิ์สิไว้กลัเลยปดไเดียมุมได้เลยมมลักการอะไรบางอย่างนี่นะศาสนาอบรมขัดเก้าตีขัดเก้ากานี่ให้มีิ์มีิ์มมมขอ มุสลิมไม่ควรที่จะติดบุญคุณกับมนุษย์เหมือนกันให้เยอะเกินไปทำไมตืมนบุญคุของเรานี่น่ะส่วนมากในติดตัวโลกกับมนุษย์หน้อยที่สุดโลกที่สุดถึงจะมีบุญคุณนะนะแต่าสนาก็ยังสอนติดบุญคุณกับใครในกระดงกันกันอยูต่อผู้มีบุญมีคุณ แต่ย่าเยียวยาเยียักีครัาไปจึมาคว้เลียย้รมินลดิุมือนยอมประกอลามือกองนทีเอามาเลนเกิมันไม่ดีนะเพราะการใช้กาม่มอบมบกับมลางนเป็นเยดเจลคมบน คนนี้มาอ๋อตาในฐานะไม่ฐานะมือแรกไม่สนุกครับตามหลักศาสนานะี่ยไม่สนุกครับมาในฐานะเป็นใครมือบนไม่ดีครับทําลายผลรบุนครับอ๋อข่าเป็นมือบนไม่ดีครับทำอย่างนี้เนี่ยอุจเบโอนแมนสกูมินนะพอบริจาคแล้วนี่มีการ มีก oh, ารอ้นางบนคุณมีการโอ้โหด้วยโน่งลบงไม่ดีไม่สนุกไม่ดีทำลายบลบาบอกว่าการแตยม่เยรแตยัมุ่งสายดำไปบบตุสู่ดินดีดินดินนี่เป็นังดินนี่ก็คืินลกสิ่งที่ที่เป็นดินจะเป็นดก็ได้ เอลมาสวมากบอกว่าดินหรนธาตุมันต้องมีของดินถ้าเป็นดินแข็งเช่นหินอ่ะตอนหินนี้มันก็ดินมาจากดินต้นไม้อย่างหินกนอย่างนี้มาจากดินมาดินแต่เราะนลมาสวมากเากแฝมันอกไม่ได้่ยังบุ่มไม่ได้ยกเว้นอมาฮนุมฮบอว่าทุกสิ่งที่มาจากดินที่มาจากดิน แต่มุมได้หมดเปลี่ยนหินอ่อนนี่มาจากดินตูน อ, อะไรนะอะไรนี่มาจากดินต้นไม้มาจากดินแปลงมุมได้หมดแต่ที่จริงนี่ไม่ได้ต้องดินต้องดินที่มีต้ <c oughs> <c oughs> มุสุเดินดีที่สะอาดอาหับานจริงๆในสถานที่เวลาวลูกใบหน้าของตัวเจาก ลื s, ่ลงลงจากตัวนั้นนี่ประกอบลูใบหน้าลื่อนทั้งหมดแนี่ในภาษาในภาษาเรามีป้ว่าว่าดรูปมศักดิ์สมศักิ์ผดูดยบุญหัไอวีคุณและแะนีในภาษาเรามีไม่เป็นการลำดับตำแหน่งไม่ใชหมายรวมว่า ใบหน้ามือจะเริ่มด้วยใบหน้าและมือขท้ายนบีอะดิสบุคคาเรลน้หมีนบีปฏิบัตินะนบีก็จะลูบมือก่อนและใบหน้าทีหลังและการลูบมือนะดบางส่วนบอกรายละเอียดบางส่วนก็ไม่ได้บอกแต่ที่มีรายละเอียดก็เอาสามีขวานมาลูบ หลังมือซ้ายแล้วฝ่ามือซ้ายนี่มาลูกหลังมือขาอันนี้ไม่มีอะไรละเอียดไม่มีอะไละเอียแล้วหลังจากนั้นก็ลูกครั้งเดียวนะครับไม่ต้องเป็นเระนั้นคือคือเอามือนี่มาสั้นัดกับดินตายอันหนึ่งนะครับแล้วก็ลูเอาฝ่ามือขวาเน่มาลูกหลังมือซ้ายฝ่ามือด้ามันก็หลักชี้ไม่ได้ได้รสิ่งหนึ ถกต่อก็มีการอินซอยมีให้ลูกถึงไหลถึงบ่าดีก็มีดาวอินซอยแ่หน้าที่ต้องมีลูกเพียนมือถึงข้อมือเท่ากันนะนี้ก็่งนี้แล้วก็ลูกใบหน้าที่เดียวนะครับมีทางเร่งงานหลายบอกว่า ให้สัมบัติดินครั้งหนึ่งแล้วก็ลูบมือแล้วก็สัมบัติหนึ่งครั้งแล้วก็ลูบหน้าอันนี้จะเป็นแนงานที่อ่อนที่มีการแตะมากที่สุดนี่ก็คือสัมบัติดินครั้งเดียวนะครับแล้วก็ลูบมือหนึ่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวแล้วไม่สองครั้งเลยนะแล้วก็ไปหน้าครั้งหนึ่งปิ้งหันแล้วก็ถ้ามาจากการถ่ายรูปปัาวะอุจจาระเตรียมมุมแบบนี้และเหมาะได้ถ้าร่วมหลับนอนมีเทนาบ้ไม่พบน้ําและเตรียมมุมแบบนี้ แล้วมาได้เอ้แล้วแบบนี้พอมีน้ําพกน้ําแล้วนี่ต้องอาบน้าําใช่ไหมไม่ต้องแล้วคือว่ายกขาดสเรียบร้อยถูกต้องสมบูรณ์แล้วพอเห็นภาการอนุโลมของศาสนาที่ไม่เคร่งครับกับอุปสกาว่าจะต้องใช้น้ําในการยุกขาดสแรงอัลลอฮฺจึงบอกว่านี่คือคือสิ่งที่พวกเจ้าท้งพิจารณา ไม่ يريد الله ليجعل عليهم من حرج الله م ัไม่ทรงประสงค์เพื่อจะให้มีความลำบากใดแก่พวกเจ้าไม่ประสงค์ศาสนาอันใดนี้อิสลามอ a l ไม่ประสงค์ให้สิ่งหนึ่่ศาสนาเกิดความลบากแก่พวกเจ้าเลย อุลามะเอาคำนี้เอาประโยคนี้ในคุรอ่านเนี่ยมาเป็นบัญทัตทุกสิ่งทุกอย่างในคุนนรอ่านละหะดีถ้าปฏิบัติแล้วลำบากนะก็ไม่ต้องปฏิบั ต, ตมมิไม่ต้องปฏิบัติทำไมไม่ชัดเจนอัลลอให้ยืนแล้วมายืนไม่ได้เพนไม่ไหวจะนั่ง น, นอนแลนะ้วมน ก็มีแต่คนดีจะให้นั่งและหมานี่นั่งไม่ไหวแล้วก็ต้องนองนองอนไม่ไหวแล้วตาดนี่ยนะทนไม่ได้เอาไปละมาควยกตัวอย่างให้อ่า น, นละมาไม่ได้ไม่มีนะ้ำให้ทําอะไรเตรียมบุ่มไม่ได้ทําไมอ่ะผิวเนี่ยแพถ้าโดนตายโดนดินสีแดงเป็นพื้เลยอย่ะแพ ต, ต้องทำยังไงดีอ่ เอาแอลกอฮอล์มาหนึ่งนะหรือหรือชายรังตีเตะเตะมึงไม่นะครับสิ่งนี่จะเสนอตาไว้ทาได้ไหมเอานื้อมาไดไหมไม่ได้ไอ้แต่ยามมึงจะเตะมงได้ไหมไม่ได้ไม่ต้องทาอะไรอันั้นน่ะเอาเน้มาไอ้่ใ่ช้ใช่อ่ะนี่ไงไอ้คนที่คนที่บอกว่าเคยชินไหนะชินนวากอลแลมานี้ต้องอานืมา หรือแต้มมุมพอไม่มีแล้วนี่ก็คุณจะเริมาได้ไงนี่เริ่มมที่อารมณ์เป็นเริ่มาแต่ยังไม่ไอ่านเริ่มมาแต่เขามันไม่มี น, นั่งไงยยังไม่แต้มมุมบะมันก็คุณแตมุมไม่ได้เอาเริ่มมาไปเลยเป็นมาขอยกตัวอย่างมันเกิดขึ้นจริงความที่อยู่ในคุกอยู่ในคุก อยู่ในคุ้งีผนังไปได้วนี่มันเป็นมันเป็ น, นปู น, นเป็นหินน่ะจานเราเลยมาส่วนมากบอกว่าแต้มุมไม่ได้ไม่มีน้ำไม่อนันเทเลมาตแล้วไม่มีดินไม่มีทรายแต้มมุมโอุลละมาบางท่านบอกที่บอกว่าปูนหินไม่มาจากดินต้องแต้มุมได้นี่ก็จดแต่อุละมาที่บอกว่าปูนหินไม่ไม่ได้มาจากดินแต้มุมไม่ได้ต้องมีดินต้องเป็นผงอย่างที่ ม, มัมชาบีเนี่ย เขาไหวเหรผมบอกวไม่ตรงไม่ตรงแตหมุมน like. no ้ำละาทเไงไม่ละระยะปกตินี่ละมาทได้ไหมมีน้ำละมาทไม่มีเปะมุมหรืละบาไม่ได้นี่ไงระบับนี้เราถืออะไรอะละมาทโดยอะไรอะเป็นมีคดสหรือเปล่าไม่มีโดยข้ออนุนลมนะอ่านน้ำละบาทก็ไม่ได้ตมุมก็ไม่ได้ แต่ dagegen, Allah จะถือว่าไม่มีฮะดัสให้นมาดได้เลยอีดะาะอีดะะไม่นมาดเลยออเป็นดะะใครไม่ดะะอุลามะแน่นอนนะอันนี้อันนี้ะกะคนนี้บอกว่าเขาล็อกแล้วล็อกไม่ต้องนมาดก็มีน้องป่วยหลายคนนี่พอ เราไปโรงบางบางทีก็ตรงสวนในท่อ ป, ปัสสาวะทางละมาดี้ไม่ละมานี่ผมเปื่อนมันเปื่อนตลอดในท่อปัสสาวะในสวนนี่นนมันมีปัสสาวะออกตลอดมันเปื่อนละมัดไม่ได้ไม่ละมัดเลยอยู่โราบาลอาทิตย์หนึงไม่ละมัเลยให้บอกไม่มีนะครับละมานี่ต้องละมดละัดเล่นเล่นไข่อื่นๆแม่น่ะเล่นไขละมานี่ยี่สิสเนาได้อ น, นุโลมใอ้ แล้วมาต้องหันมาไปยังค so, so, no ิบล so, so so so, ัดไม่รู้คิบลัตอยู่ไหนอ่ะก็ดูแคไหนก็แค่นั้นนะถ้าหันไปที่ไหนนมัสัมาวะจุลโลไม่รู้ว่าเออทำไมไม่ละมารู้ไม่รู้ไม่รู้คิบลัดอยู่ไหนก็จะไม่ละมารงั้นไม่มีน้ำเต้มุ่งไม่เป็น้ตามุ่งมายต้องอาบเป็นทำไมละมารเรื่องที่เหมาเจออุปสรรคของปัญญาก็บอว่าหารองนะทำไมไม่ละมารไม่มีที่ละมา นี่ก็มีทำไมไม่ละมาศไม่มีผ้าปูละมาศทำไมไม่ละมาศไม่มีผนุ่งนม่มี่มีทำไมไม่ละมาศ ไ, ไ, ไ, ไม่มีมวัวกันนี้ะแต่นี่น้อยหน่อยนะแต่ที่ไม่มีผนุ่งมีมีผนุ่งไม่ละมาศทำไมอ่ะกกางเกงเปื้อย น, นั่งเรือแฉียนแจก็ม่ละมาศทั้งวันเลยให้ตายเถอะ ถ้าทําได้อะนะไหนไหนนั่งเรือแสงแดดนี่นะครับลงโบแเบ๊นะครับลงโบ๊เบ๊แล้วก็ซื้อกันเกมสำรองไอว้นนี่ก็สุดๆเลยนะแต่ที่จริงเ น, นี่ยถ้าทำงานลงแสนแดดตลอดนี่ก็ต้องเตรียมบ้างไงนะเออเตรียมสำรองสะาโดนไปที่ไหนนี่ก็จะได้สาแต่ถ้าทําไม่ได้ลงแสนแดดทุกวันเลยต้องนั่นรงรอแสนแดดแล้วก็โดนโดโนมันนิ้นเ น, นี่นองแสนแดดนิ้นน้ำมันนิ้ โดนสมมติไม่มีสุภาษิตจะปีดทำยังไงเสื่อเสือเป็นไงไงยืดแน่นหนูทำยังไงไม่ละหมาดละหมาดครับละหมาดถ้าเราสามารถหาเสื้อผ้าและไม่ทำมันนะอันน้นเราบกกร้องแต่การละหมาดเงียสองต้องละหมาดแต่ทิ่งละหมาดไี่ได้ไอ้คนที่บอกว่า คำถามว่าและมาด้วยเสี้ยวนาทีบาปมากกว่าหรือทะาเลยครับทิ้ละบาที่น้าดนั่นเั้งใจงละาที่นิาดแต่เนื่อจาว่าคนสนมากไม่รู้นะครับ AH, ก็ขอร้องคงคงให้ใครจ่พวกเราดูศึกษนีมีได้ <c oughs> ทไมไม่ละา เจ๊กปดีกังเกงยีนี่ยมันมันขัดมากแล้วก็มันใต้เมันใต้กระือพอผมละมานีกมันเห็นก้นแล้วมึงจะมาสัมบันทายไม่ใสแบบนี้แหละมันมันจะเร่าอยู่แต่มันไม่มคิดเลยสมองคิดเหรอว่าไอแบบนี้เนี่ยมันมุสลิมมันใส่ไม่ได้เพมันยังไงต้องละหมาดไม่ต้องใสละไอมันผู้หญิงใสกางเกงสั้น ก็บางคนใส่กางเกสั้นีก็จะมีอุปกรณ์ปิดปากพอเวลานั่งก็จะเอาอะไรมาปิดจะทำไมั้งแต่จะไมใส่แบบนี้ทํามไม่ใส่ให้มันปิดปไปหมดเลยจะได้นั่งมไซค์ได้อะไรสบายใจทีนี้คนสเกสั้นีแต่นั้งมอเรขีม้านี่ก็ต้องอึดออย่างเงี้ย คือสร้างความลำบากใจกับต the the the the <itty> ัวเองเพื่อสนองกระแสนิยมของสังคมมาต้องต้แบบนี้ต้องเกณฑเกณฑ์ั้นต้องต้องกระปองสั้นต้องเกณฑเกณฑ์แบบนี้แล้วสุดท้ายไอมาไดของเราวิถีชีวิตของเราอะนะไม่หนึ่งไม่คํานึงแล้วคนแบบนี้เนี่ยถือว่าอยู่กับอเมริกายังไงวิถีชีวิตของเราเนี่มันต้องนึกนะครับไปซื้อเสื้อผ้านี่ยคงคิดนะอย่าตามอารมณ์ยังเงี้ยเอาเนี่ยถามมันมาแล้ว เป็นเกงตูดขาดหามานานแล้วเพรามันที่ไหนมันขัดที่อื่ น, นีตรงมันจะกนี้็จริงจริงไงแต่ไม่คิดแต่ว่าเออเป็นเกงตูดขาดนี่มัก็จะเป็นเรื่หมาดดิ่งได้ไใจที่ไม่ใิดใจผู้สนใาทีมันมีโรคใจิตใจอม่มี้สมุขขลิ มุคลิกที่อยาจะสนองความความสุขอารมณ์ของตัวเองนันเ น, น, นี่ยเสวงราด้ยสุเียไม่คิดเหมือนคนที่ชอบกินเหล้าบอกแล้ว่ถ้าคนี้ศรัาจริงๆนะละหมาดนี่นมันจะองค์มมันจะตระเบียเหมือนคราวเนี้ยคราวเนปี <c oughs> ่อเมาถามอาจา ร, รย์มีคนถามอาจารย์คราวเนี่ย เอาไว้เนี่เอาไว้เนี่ยไว้เครานี้นะไว้ครา น, นะรานี้แล้วมันจะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีทำไมไปเคราวแล้วสู่ผู้หญิงคราวแล้วก็อยู่ดีๆก็มีผู้หญิงผู้สาวก็ต้องต้องทำหน้าที่ต้อหน้าที่ต้อจีบบ้างอะไรบ้างก็มันจะดีอ่ะไว้เคราวป้า เหตผลมือกันนะ่าหนูคุณียาบแล้วมีพฤติกรรมที่ไม่ดีหนูชอบคุยกับผู้ชายแล้วเนี่ยพขาุ้งมียาบแล้วแล้วก็ไปเจ้าใจกับผู้ชายมันเป็นความรักที่ไม่ดีงั้นไม่ต้องคุณียาเออเตียนนีน้ในขนาดงยับเลยก็พนาานีนั่งอุลามาตอบยังไงบอกว่าเขามีเอาไว้เอาไว้แล้วมันจะเอาไว้คุณแต่ว่าอะไรแต่ว่าถ้าเราไว้เขานี่นะ ไว้เขาเนี่ยศาสนาเนี่ยจะอยู่ขา่าดมันไม่ใช่ว่าเออเขาแล้วฉันสูบบุหรี่เงนินไว้โกนเขาดีกว่ามันจะได้รักษาภาพักเพราะถ้หากว่าคนนี้ไว้คขาแล้วสูบบุหรี่มันดูอแม่เกียรติแตคนที่โกนเขาแล้วก็สูบบุหรี่นี่ธรรมดาสากลคือสลักทำทำบาปแบบเพื่อรักษาบาปอั น, นมันตระกักยังไงเนี่ย บานทีเราจะเห็นนะเห็นไอเห็นพี่น้องไว้ขาวแล้วก็ดื่เล้าอย่างเงี้ยบางโกรนไปเธอนิแทนที่จะบอกว่าเลิกเล่าเธอไม่มีศีตปกาศที่ถูกต้องคือให้เลิกบาศิทธ์ที่กาลังทาอยู่ไอนี่เราไปเจอไม่ทำบาปอีกเลเเขาดื่มเล่าแล้วก็ไว้ขาวอ่ะนะไว้ขาวม่ถูกต้องแล้วใช่ป่ะไอนี่เขาดื่มเล้าไม่ดีดังให้เลิกเล้าอ่ะนะสังให้ทําบาปใหม่ บางคนเขาไปเถอะมันน่าเกลียดมุสลิมะ <ś ś ชอบคุยกับผู้ชายนี้ขอพิจาราเถอะมันน่าเกลียดนี่เสริมใหต้ตําบากใหม่แทนที่จะบอกว่านี้ไอ้บัปที่กำลังทําอยู่ใน้เลิกมันจะดีกว่าก็สรุปว่าศาสนาอัลลอฮ์ยึดประสงค์ที่จะให้พวกเรามีความลำบากในการประกอบศาสนกิ แต่คะคนว่าที่ يريد لإظهار كل แต่ถ้าว่าส่งประสงที่จะให้วกบจ้างสะอาดคำว่าอยู่ตอนที่เราคุกับคำว่าสะอาดนี่คือว่าสะอาดนี่แปลว่ามันในยะในด้านวัตถุมากกว่าสะอาดยังวงเ้ไม่สกปรกไม่หมกแม็ตไ ตัวที่เราพูดเนี่ยคือชำระให้สะอาดทั้งภายอกและภายนัสะอาดในการที่จะดำรงซึ่งหลักการศาสนาที่อัลล์สั่งไว้อลัลลอ์ประสงค์ที่จะให้คำสั่งสอนต่างๆเนี่ยชำระตัวเอนเชื่อวาอานมัลลมาดีทางนี้สะอาดไม่สะอาดตัวอย่างเดียวนะ มันชำระแบบชำระบนถิ่นด้วยเชือ่อว่าการอาบและน้ำบาดนี่ยมันไม่ได้ชำระตัวเองเดียวนะมันชำระร่างกายสรีระจิตใจของเราด้วยวันแรกที่อยู่ที่อยู่ที่เยู่ตอน้าคุพระเจ้าแบบนี้บัญียติอะไรไม่ให้เราลำบากบัญียติอะไรให้พวกเราได้สะอาดมากมากทินว่นาอู่ิมมเนยามตะวั น, นว่าไงกู และเพื่อให้ความกรุณาเมตตาของพระองค์ครบถ้วนแก่พวกเจ้าลิวติ้นมาแลวมาดองให้ว่าให้ว่างเรานี่ได้รับความเมตตาอย่างครบถ้วนคืออะไรอ่ะทำซ้ำนี่คือความเมตตา Allah เปิดโอกาสให้เราเนี่ยยกสถานะอิหม่าลังให้สูงขึ้นที่เป็นการเปิดโอกาส ทาบาปก็เอามาชันนทาบาปชัน ท, ทันทความผิดวันเลย่งเอาบอกว่าไม่เป็นไรมีลัทธิมาเข้าเฝ้ า, าเข้าเฝ้าขออภัยตอนเราจะชระใหอยู่ขึ้นมาเนไม่ต้องวาเลยเปิดโอกาสและัลักุมตรสุรูนเพื่อว่าพวกเจาก้จาจัดของคุณจัคของคุณมาล้า คือจะนำเล็กถึงความกรุณาของอัลลอฮฺสุบรละาน้นาเข้าใจเนี่ยพ่ที่อัลลอฮฺสั่งลูกพอหนี้มันเป็นประโยชน์สําหรับพวกเรามันเป็นความมีตาสาหรับพวกเรามันไม่ได้เป็นภาระมันไม่ได้เป็นความลําบากแต่ถ้ามองถึงคําสั่งสอนของอัลลอฮฺละมาดีมันเป็นภาระอาบน้ำละมาทีก็เป็นภาระ ทำไมบาดาดเป็นภาระไอ้บาดเหล่านี้จะไม่เป็นประโยชน์สหรับเราอย่างแน่นอนจะไม่มีอทธิพลในชีวิตของเราอย่างแน่นอนและจะไม่รำเลื่อถึงความเมตตาของ Allah ที่อยู่ในบารานี้อย่างแน่นอนคนมีบุญคุณกับเราเราขอบคุณเขาเพราเราได้ระโยชเพราเราขอบคุณ a l l a หม ที่เอามาให้โอกาสตรงเราให้ละเมิขอคุณชุกขอบพระเจาว่าเราอยูชีวิตอย่างมีโอกาสที่จะเาวมีบัตรอบพระเจ้าอภัยตทอหลายคนอยากละมิด แต่ไม่เลวมาหลายคนในยานพุทอาจแตไม่มาหลายคนในยานกฤษณอัจฉรยไม่ไม่ดี่นึงอัลลอฮฺมิให้เป็นเกียรติมายืนที่นี่แล้วนี่มาละหมาดมัคาวานี่แค่เชื่อว่าเราถูกทัดเลือกมนุษย์ี่คนอยู่เนาะ คนนี้ปทีเาตัตตลนี่อล์ตตตนตตนทานี่ีอัลลอฮ์แล้วนีถูกลตัแตต้นทานี่มาสัทธาแล้วี่ศรทาอัลล์แล้วรู้จักลแล้วเรียนรู้ลการสแล้วรู้าามแล้วแล้วก็ไม่มาแล้วไม่ลมาแว่ากที่เรามาแล้วมานี่อัลล์ัดาันแล้วบุคุณมหาศาลนาไเกียคะ เกี الله الله عليه ่ยดขนานี่อัลนเาไให้เรามีสิทธ์ฟลหลังแบบน้นต้องไม่โตต้องขอตุต้องขอตุเป็นสิ่งที่ท่านนบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ฝากไวกับเดินมะฮ์ดเพาของดีนะแลมอินนีอุฮิบุกฟิล องค์มาสข้าพเจ้ารักขั้นสิ้นแลในห่ต่างมาสตอนนั้นอายุประมาณนี้สิบเจ็ดปีแต่บีอายุประมาณหกปีคนรุ่นคนละรุ่นบุญญาดไหนหกสิบปีนี่บุญญาดไหนอีสิบเี่ไม่ร้นี่ขนาดไหนต่บุญใหญูดกันดิ إني أحبك ا ل ه كما ترى أننا ت ى الله فلا تدع دبرك لصلاة ت ي ة ك ن ا هذا ما تكمله يقول الله أ ل ن ي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أو أ ر ك شيل صدورنا نكرم نلقي فيك الله تشكرك และทำไมบาดาดตอบพระองค์ท่านอย่างดีถ้ามีตรงนี้แล้วถ้ามีตรงนี้สามประาการนี่นะครับพี่น้องรวยรวยเละเลยรำลึกถึงอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ทำไมบาดาดตอบเราให้ดีแล้วขอรืองนี้ในะตอนไหนอะ่ะหลังจากที่บาดาดลงคือหลังจากที่เรารำ ล, ลึกและขอบคุณ ไล่ไปได้ยันดีนะให้ขอให้ยินยันให้ยินยันว่าเราขอให้เป็นเช่นนั้นตลอดไปจึงเป็นเรื่องที่ท่านน บ, บีสนุนให้มาหาอย่าเดียวเพราะฉันรักท่านนี่นะฝากด้วของปากของทขาหนีมีค่านะนบีสัตวฝากอะไรมีมีค่า